โอเคเดี okay, ๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับเราสมาชิกกันหนึ่งนะครับโอเคทุกคนเห็น yeah, <okay. S 1> เห็นหัวข้อกันยังฮะหัวข้อวันนี้นะฮะเพจคิวคิวนะครับเรื่องอัปเดตซิสเต็มนะฮะแล้วก็ความกวรวในการทำธุรกิจนะครับ หนึ่งครับเอ่อตามตามสมาชิกของท่านด้วยนะครับตามสมาชิกของท่านด้วยนะฮะใครพลาดวันนี้บอกเลยว่าช้าแน่นอนนะฮะใครพลาดวันนี้นี่บอกเลยว่าพลาดมากนะฮะจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยนะ โอเคอีกนาทีนึงนะครับเดี๋ยวนะใครแอดเฟซบุ๊กผมมาไม่รับแล้วนะฮะใครไม่แอดเฟซบุ๊กผมอีกครับอับหนึ่งนะฮะ เห็นหน้าเห็นตากนก่อนสวัสดีฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันละนะครับ ทุกคนบอกให้เพื่อนๆเข้ามารับชมได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้สำคัญมากนะฮะทั้งในเรื่องของของตัว s ิส t e เมนะครับทุกคนจะรู้ข่าวสารนะครับแล้วก็เข้าใจในการทำงานแบบถูกต้องนะครับ โอเคมากันหมดยังฮะดูดูสดได้อัทรลดกว่าะฮะโอเคกำลังมาเยอะๆแล้วใครใครแบตเหลือ 26% 26% นี่ต้องไปชาร์จเลยนะครับต่อให้ต้องซื้อแบตเตอรี่มาก็ต้องไปซื้อนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องอะไรบ้าง กื่นสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็นะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อมก็อยากจะคุยในส่วนของตัวซิสเต็มด้วยเป็นหลักบางคนเนี่ยเพิ่งสมัครมานะฮะแล้วก็เฮ้ยทำไมซิสเต็มอัปเดตโพสไม่ได้นะไม่ต้องตกใจนะครับอ่รารอเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกแป๊บนึงนะขอเช็คกลุ่มไลบบน์แป๊บนึงนะครับคือใครที่ตาม เพื่อนในกลุ่มไลน์ตามเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้สำคัญมากในเรื่องของข่าวสารนะครับแป๊บหบนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมข อ, อกดรับสมาชิกก่อนโอเคเราเริ่มเลยนะครับก็เรื่องแรกนะฮะสำหรับเรื่องตัวซิสเต็ม นะครับต้องเข้าใจอย่างก่อนว่านะครับบางคนบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องแผ่นชแบบเต็มตัวเลยเนาะอันนี้ต้มก็ตมก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นผมผมคงไม่ไม่อธิบายแล้วนะให้ไปดูในคลิปนะครับผมทําอุปกรณ์ทําคลิปต่างๆทคำสื่อต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะอยากให้ทุกคนไปดูในนั้นนะครับแต่เกาะอื่นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจอย่างก่อนว่าตัวแผ่นชินะครับเราอ่ะกำลังอยู่ในช่วงของ เวลาที่มันกำลังแบบวอร์มอ่ะคุณแม็กเข้าใจไหมคือพวกคุณเน่เป็นต้นสายต้นสายของโลกอ่ะพวกคุณกำลังแบบเล่นกับโซเชียลเน็ตเวิร์ตัวเป็นเหมือนเอาไว้ง่ายถ้าวันนี้ในในช่วงต้นของ Facebook ที่มีเพื่อนเพื่อนของมาร์คซังเกอร์เบิร์กไม่กี่คนนะ่ะที่เขาเล่น Facebook กันอ่ะคุณก็เป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งของคุณโอมอ่ะที่ที่มันแบบเพิงพ่งเพิ่งวอร์มมิ่งกันนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเอ่อ พอเวลาอะไรที่มันใหม่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาก่อนที่จะเปิดนะฮะก่อนที่จะเปิดดาต้าเบสเลยนะเขาก็จะต้อ ง, าาอววอ ง, งลิสต์ปัญหาออกมาก่อนแล้วว่าอ๋อจริงจริแล้วปัญหาควนรจะมีอะไรบ้าง1 2ึ่แต่พอเวลาเราออนไลน์กันจริงจงเนี่ยนะฮะมัน ก, มนก็มันก็ต้องบอกตามตรงพหละ ว, ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนกับว่า unseen เนี่ยคือปัญหาที่เราไม่เคยพบมาก่อนซึ่งเป็นเรื่องปกติผมต้องบอกอย่านี้ก่อนนะ ว, ว่าสมาชิกหลายคนอ่ะจะเข้าใจว่าผมอ่ะเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นหุ้นส่วนษทไม่ใช่นะ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 คุณอาจจะเข้ามาอยู่ในยุคสมัยของการที่แบบเริ่มต้นจริงๆฮะมันมีทุกปัญหาเลยครับเช่นปัญหาที่ผมเห็นเนาะสมาชิกหลายท่านก็หนึงใช้งานไม่ได้อ่าโพสไม่เป็นสมัครไม่ติดนู่นนี่นัน่น น, นะฮะจิตบาถหะลืมแอปฟอ่าลืมอะไรนะลืมกรอปรหัสลืมแนบสลิปไปแล้วก็แบบไม่ติดอะไรเงี้ยคือผมต้องบอกอย่ว่ามันเป็นปัญหาสแตนดาร์ดนะครับที่ทุกคนเนี่ยผ่านมาหมดแล้วแหละตั้งแต่ช่วงตอนผมก็ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้คือ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 กับการทำงานเนาะเอ่อตอจะบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ตัว s ิส t e เมของเราเนี่ยนะครับมันต้องแบ่งเป็นนี้ก่อนว่า <c oughs> เหมือน Google เนาะผมใช้คำว่าเหมือน Google ด้วย Google เนี่ยนะครับคุณรู้ไหมว่าเขามีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวทั่วโลกเยอะมากนะมีเป็นหลักแสนตัวได้เลยมั้งทั่วโลกนะครับทีนี้ผมต้องบอกอี่อนว่าเวล า, าเรากดเข้าไปใน w w w g o o g l e co. th เนี่ย มันก็จะติดเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยเนาะเพราะมัน th, .th ใช่ไฮะที anyway นี้การกดเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ได้ไปติดเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวนะครับมันมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวมันมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวเี๋ยผมเขียนเป็นกลมๆแล้วกันเขียนสี่เหลี่ยมแล้วกันมันมีเซิร์ฟเวอร์หลายตัวซึ่งเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนตัวกระจายโหลดนั่นแสดงว่าถ้าวันนี้มีกลุ่มคนนะฮะกลุ่มคนเปิด w w ็ google.com เนี่ยบางคนเนี่ยเขาเปิดมามันก็เข้าเครื่องนี้บางคนก็เป ซึ่งเนี่ยครับการกระจายโหลดทำให้ทัฟฟิกอ่ะทำให้ทให้การทำงาน่ะมันไม่ติดขัดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับตัวเพจค q วนะครับมันก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่มันถูกกระจายเนี่ยนะครับสมมุติคนเล่นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เราก็มีหลายตัวนะครับมีประมาณ20กว่าตัว 24-25 ี่ตัวได้มังตอนนี้เพื่อรองรับ เพื่อรองรับคนมันจะถูกขยายไปเรื่อยๆเซิร์ฟเวอร์ถูกขยายไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แบบจบอยู่แค่นี้ขยายไปเรื่อยๆรองรับสมาชิกไปเรื่อยๆนะครับคุณดูนะว่าวันนี้คนนะ่ยกดเข้าไปในสมัครนะตอนนี้คุณโอมอ่ะเขายังไม่ได้กระจายโหลดสําหรับหน้าสมัครเวลากดทุกคนนะ่ยผมใช้ว่าทุกคนเลยนะทุกคนกดเข้าสมัครปุ๊บเนี่ยมันกวววว็วิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียววิ่งเข้าตัวด า, ดาต้ตัวเดียวทุกคนวิ่งเข้าเนี้ยวิ่งเข้าเนี้ยวิ่งเข้าเนี้ยวิ่งเข้าเนี้ย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 เปียบเสมือนข้อมูลแล้วกันแต่ตัวนี้คือช่องทางให้มันผ่านไปเวลาวิ่งมามันก็จะมันกระจุกอยู่ตรงนี้กระจุกอยู่ตรงนี้ครับบางคนเนี่ยแนบสลิปก็เด้งออกเพราะว่าข้อมูลมันกระจุกเนมันดันดันดันันเข้าดันเข้าดันเข้าดันเข้าปุ๊บบางตัวก็เด้งออกบางตัวก็แนบไม่ติดอ่าแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครเป็นเขาเรียกว่าเป็นมวยเนาะเป็นมวยเนี่ยจะชอบแนบสลิปตอนช่วงที่ทัฟฟิกน้อยๆเช่นประมาณเที่งเท่ง คนไปทำงานเล่นไม่ได้ประมาณ1ิบโมงเช้าหรือประมาณบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามนี่ฮะก็คือว่าทัฟฟิกมันจะไม่เยอะเพราะว่าค น, นเล่นน้อยทีนี้ผมต้องให้เข้าใจก่อนว่านะครับของเราอะ่ะมันเป็นแบบแฮปปี้ปร b l e เปนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือการทำงานของเรามันเป็นแบบลักษณะของ Leverage Leverage หมายถึงว่าตัวเราอะ่ะมันขยายไปแบบทวีคูณน่แสดงว่าทุกๆคนน่มีการทวีคูณมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น แต่เซิร์ฟเวอร์เวลามันรองรับเนี่ยมันรองรับแบบซนะิงเกิลเนี่ยคือมันยังน้อยอยู่อะ่ะเราก็เลยจำเป็นต้องขยายให้ให้ให้ซัพพอร์ตกับการทำงานของพวกเราเพราะว่าตอนเนี้ยเราเล่นเกมส2 2สองกันใช่ไหมพอเล่นเกมสองพวกเนี่ยโอ้โหระเบิดระเบ้อมากนะครับนั่นก็กลายเป็นว่าอย่างนี้ฮะเห็ น, เ ห, นเห็นไม okay, okay. โอเคเราเห็นอโอเคสมาชิกบอกว่าไม่เห็นใช่ไหเมื่อกี้ อ๋อโอเคใครใครไม่เห็นบ้างนะฮะคือเราทํางานแบบ Lever เรจอะพอมันเลเวอเรจปุ๊บเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันรับไม่ทันข้อมูลมันแบบเยอะมากเยอะมากจนรับไม่ทันนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงแบบต้องต้องขยายเซิร์ฟเวอร์น ะ, ะซึ่งการขยายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะผมต้องบอกกันก่อนว่า <S <S ตอนที่ผมอ่ะ <S <S เข้ามาทําใหม่ๆอะ่ะตอนที่ยังไม่เจอทุกคนเนาะผมบอกเลยว่าหลังจากโผมโอนเงินเสร็จปุ๊บเนี่ย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 เริ่มมีระบบวอลเล็ตระบบเงินนะผมมาช่วงนี้ช่วงนี้ไอสัปดาห์แรกเนี่ยสสัปดาห์แรกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอยู่ผมมาช่วงนี้พอดีช่วงกําลังอัพระบบวอลเล็ตพอดีโอนเงินเสร็จปุ๊บเว็บแม่งปิดเลยปึ๊บปบคุณภ<อ>าพผมรู้สึกไงโอนเงินไปหนึ่ัน 1, 000, ปุ๊บเปิดเข้าไปเว็บเปิดไม่ได้อันนี้คือแบบปิดเลยจริงนะปิดไม่ให้เข้าเลยนะกดเบอร์ไว hq.com คือเข้าไม่ได้นะอันเนี้ย ผมก็เลยโทรไปคุยกับคุณมาทิสากับคุณโอว่าเอ้ยเปนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปิดนะฮะเพราะเราก็เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมไม่ได้เคยได้รู้จักกับคุณโอว่าคุณมาทิสามาก่อนผมต้องบอกนี้ก่อนนะครับอ่ะมันปิดอ a l l e t ปิดเพื่อนี่ฮะคือแต่ก่อนเนี่ยระบบ wallet อ่ะมันยังไม่เสถียรนะครับเขาก็เลยมาทําระบบ wallet ให้มันเสถียรโดยการตัดสินใจ w ่ยให้มันจ่ายเงินแม่นยำนะฮะคือรับเงินแม่นยําแล้วก็จ่ายเงินแม่นยํานะครับในสองวัน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 หลังจากที่ตัว wallet เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมาทําระบบนี้ครระบบการโพสต์ตอนนี้ทุกคนโพสกระหนํามากวิวเดือนที่แล้วประมาณสองล้านกว่าวิวได้มั้งรวมกันทั้งหมดมาจากทัพฟิตข้างนอกร้อนๆเลยฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ฮะไอช่องวิวเว่ยช่องโพสตเนี่ยตอนมีช่วงหนึ่งที่เขาปิดไปไม่ให้โพสตอยู่น่าจะอยู่ประมาณช่วงประมาณสองสองถสาสัปดาห์ที่แล้วบางที่ไม่ให้โพสนะฮะไอตอนนั้นเนี่ย โอ้เขาไปกระจายโหลดตรงนี้แหละ <Okay. S 1> กระจายโหลดหน้ารับโพสหมายเพราะว่าวันนี้มันมีเซิร์ฟเวอร์รองรับตัวโพส ต, ตัวเดียวใช่แสดงว่าเวลาทุกคนโพสมาทราฟิกมันก็จะวิ่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวนะฮะตอนนี้โอ้โหเขาเพิ่มตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเวลาส่งข้อมูลนะ่มันส่งขึ้นไปบนคลาวด์ที่สิลิ่ยมบรเลส่งไปเลยนะครับที่สิ่เลี่ยมบรรเลเลยนะทีนี้อย่างนี้ก่อนนะครับไอ้ตัวโพสเนี้ยนะฮะเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นเพราะว่าคนเนะ่เราขยายมากขึ้นคนก็โพสมากขึ้นจริงไห พอมันถูกโพสต์มากขึ้นโพสต์มากขึ้นโพสต์มากขึ้นทัฟฟิกวิ่งเข้ามามากขึ้นมันเลยทําให้ตรงนี้แย่งกันพอมันแย่งกันมันกระจายมานี่ไม่ได้นะฮะมันกระจายมามันก็ยังไม่พอใช่ไหมพอมันกระจายมามไม่พอนะฮะมันก็ต้องมาขยายเพิ่มอีกนะครับทีนี้การขยายเพิ่มจึงจําเป็นต้องนะตอนนี้นะฮะคือต้องปิดปิดก่อนเพื่อที่จะขยายอ่าเดี๋ยวผมคุยให้ฟังตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะคือคุณต้องเข้าใจอย่างก่อนว่านะครับ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 สลัได้นะครับแนบสลิปได้แนบสลิปได้นะครับถอนคิวได้แต่โพสไม่ได้โอเคไหมที่โอมเขาขึ้นในวอ l เว่าในในเว็บว่าอะไรนะเดี๋ยวนะฮะผมเปิดดูแป๊บหนึ่งนะครับอเดี๋ยวนะให้เดี๋ยวนะวนะแป๊บหนึ่งนะฮะ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 แล้วเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงอ่ะนั่นหมายความว่าคุณเข้าเกมไม่ได้เลยจริงไหมถูกต้องไหมฮะหรือว่าปิดปรับปรุงจริงๆอะ่ะก็คือปิดแหละแล้วแบบเข้าไม่ได้เลยอะ่ะเหมือนตอนที่ผมบอกว่าเขาปิดปรับปรุงตอนทำวอลเล็ตอ่ะแต่ทีนี้ฮะผมเลยต้องผมเลยต้องแจ้งว่าคุณโอมคุณโอมปิดแบบนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเรามันเยอะพอเยอะแล้วเนี่ยทุกคนอ่ะเสติดเพจคิวควเสติดกัน การใช้งานแล้วก็เสร็จติดของการขยายนะฮะผมใช้คำว่าเสร็จติดเลยนะไม่งั้นคุณลองถามตัวเองดูก็ได้นะสมาชิกเก่าๆคุณตื่นเช้ามาคุณทําอะไรก่อนนะตอนนี้คุณไม่ได้เปิด f เฟซบุ๊กนะคุณเปิด q ิวๆาว่าคุณมีคิวเท่าไหร่แล้วในระบบแล้วคุณก็อยากสร้างคอนเทนต์ใจจะขาดด้วยคุณก็จะรู้สึกหงุดหงิดด้วยเวลาที่คุณน่ยแบบสร้างคอนเทนต์แล้วแบบมันไม่ได้หนังใจคุณเป็นไหมถ้าคุณเป็นแสดงว่าคุณเสร็จติดเพจคิแล้วนะครับแสดงว่าอย่างนี้ก่อนนะครับเออเวลาปิดปรับปรุงเนี่ย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 มันก็เป็นหน้าดัชบอร์ดตัวหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโพสต์กับตัวสมัครผมพูดผิดนะฮะตัวโพสต์กับตัวสมัครนะครับตัวสมัครเนี่ยกับตัวโพสเนี่ยมันเป็นดัชบอร์ดที่มันลิงก์ถึงกันนะนั่นหมายความว่าวันนี้มีคนเน่ยเข้ามาสมัครมากๆากมากมามันทำให้มันทําให้แบบแย่งทราฟิกกันอ่ะคือแย่งเข้าหน้านี้กันอ่ะพอแย่งเข้าบุ๊บโพสช้า ใครที่สังเกตดูดีๆนะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาที่โพสต์มันแบบอื่นๆที่บางคนโพสติดๆกัขัดอ่ะมันเป็นเพราะสาเหตุนี้นะคนสมัครเยอะเกินไปคนสมัครเยอะจนน่าตกใจที่เซ็นเตอร์ทํางานไม่ทันเพราะคนสมัครเยอะมากนะครับคือถ้าทุกคนมองออกเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นแฮปปี้ป๊อปเลมนะมันเป็นมันเป็นปัญหาที่แบบเป็นปัญหาเทียมที่แก้ไขาได้แล้วเราก็รู้เลยว่าเราเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ไม่ใช่ก้าวกระโดดด้วยผมใช้คาว่าบินเลยแล้วกันนะฮะคือนะครับ เอาเป็นว่าให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเงิน 1,000 ของทุกคนนะ่ยไม่ได้หายไปไหนนะฮะอยู่แน่นอนเพียงแค่ว่านะตอนนี้เขาแค่ปรับปรุงแค่นั้นเองนะครับแสดงว่าอย่างนี้ก่อนนะครับตอน น, นะตอนนี้นะตอนนี้นะคุณนะ่จะสามารถสมัครได้ปกตินะครับส่งลิงก์สมัครให้เพื่อนได้ปกตินะครับแนบสลิปได้ปกติแอสลิปนะสลิปปกตินะครับอะไรกัน ออถอนคิวออถอนคิวออกจากวอลเล็ตได้ปกตินะครับคุณดูนะคุณโอมเขาพยายามให้เราสบายใจมากเลยนะเพราะว่าต่อให้เขาปิดสักที่หนึ่งเขาก็ต้องเปิดอันหนึ่งไว้ก่อนเพื่อให้คุณเข้างานได้แต่คุณดูนะครับวันที่13กับ14นี้13กับ14นี้เพราะไม่ใช่14 13ถึง15นะฮะสบถึง15นะครั บ, 15, รบเขาจะปิดคุณฟังให้ดีนะครับ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 แต่คุณไม่สามารถสร้า ง, างเพจใหม่ได้แต่แชร์เพจเก่าๆได้โอเคไแชร์คอนเทนต์เก่า ๆ, ๆของคุณได้นะครับแบบนี้นะในวันที่ 13-15 เมื่อเซิร์ฟเวอร์วันที่ 13-15 ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่จะหายไปนะครับข้อที่1เลยนะครับ ส, สิ่งที่พัฒนาแล้วกันสิ่งที่พัฒนาขึ้นนะฮะพัฒนาขึ้นหนึ่งนะครับคุณจะมีช่อง สังเกตไหมว่าเวลาที่ทีมงานเราสมัครเขาชอบลืมแคปหน้าจอหรือลืมจบรหัสสมาชิกไว้อันนี้เรื่องข้อที่1เลยนะครับออมันจะมีแบบนี้ครมันจะมีระบบติ๊กแบบนี้สมมุติว่าคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะสมมุติกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะกรอกดูดูดูมาเนี่ยช่องสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะกดซายอัพสมมตินี่เป็นปุ่ม Sig นะอัพนะซ up อัพก่อนกดเนี่ยมันจะมีตรงนี้อยู่ให้คุณติ๊กแบบนี้ก่อนนะครับน่าจะประมาณนี้นะแล้วเขาก็จะเขียนว่า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 ให้แคปหน้าจอ t s ตัวเองด้วยนะฮะตามด้วยรหัสของตัวเองด้วยนะฮะแล้วมันจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็นะฮะข้อที่2อนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือช่องอ่ช่องรหัสนะฮะนะฮะก็คือแนบสลิปนะครับช่วงแนบสลิปนะครับแนบสลิปจะไม่มีขึ้น no image แล้วฮะแล้วก็ไอ้จอดำดอะ่ะจอดําๆ สองตัวนี้สมมติว่าคุณแนบสลิปปุ๊บเนี่ยเป็นสลิปที่ถูกปุ๊บเนี่ยจะเข้าไปที่เซ็นเตอร์ได้เลยเขาจะปรับปรุงตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับรหัสสีส้มรหัสที่ไม่แอพพูฟรหัสที่ไม่แอพพูฟคือรหัสที่ไม่ได้จ่ายเงินนะ่ยคือถ้าคุณดูในผังองค์กรนะคุณจะเห็นอยู่ว่าวันนี้บางคนเนะ่ย mm hmm. เขาก็กดสมัครตรงเนี้ยหลายรอบแล้วมันก็จะมีหลายรหัสจริงไม้ม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 ไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวภาษี 7% นะคุณจะรู้เลยว่า 90% ของเงินหมุนเวียนในระบบอ่ะมันคืนมาที่ยูเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ฝากฝากให้ผู้นำนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับสื่อสารไอ้เงิน 1,000 บาทของคุณให้ถูกต้องด้วยนะครับบางคนชอบบอกว่าบริษัทได้500ไม่ใช่นะฮะเพจ q q ไม่ได้ได้นะฮะเพจ q q ได้แค่ 3% ามเปอร์เนนะครับนะฮะที่เหลือ 90% คืนยูเซอร์นะฮะ 7% ์ไปที่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเราถูกต้องตามกฎหมายนะเสียภาษีนะครับฉะนั้นอย่างนี้ก่อนนะครับผมจะลืมเลยว่าผมพูดว่าอะไรผมจะลืมแลว้วผมพูดอะไรเนาะออโอเคเอ่อกลัวกลัวกลัวอะไรนะฮะคุณถ้าคุณกลัวแสดงว่าคุณน่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 คุณเข้าใจในเรื่องกฎหมายกฎหมายโอเคไหมเอ่อเซิรฟบิทที่เป็นร่างเงาของเพจคิคนะฮะ บ, บริษัทของคุณโอมเสียภาษีถกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนตามแท่งละพณนนี้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็สำหรับตัวยูเซอร์อ User, แต่ละยูเซอร์ของทุกคนนะครับเสียแบตนะครับดตตามกฎหมายถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจกับว่าเรื่องกฎหมายนะครับถูกต้อง ทีนี้ผมต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจกันว่าณนะตอนเนี้มันเป็นเหมือนเหมือนโคสเบต้าแล้วถ้าเล่นเกมมันก็เป็นโคสเบต้าเหมือนให้ทุกคนแบบทดสอบแต่การทดสอบมันทําเงินได้จริงนะบางคนก็อย่างหลายๆเพื่อเหลายๆคนของผมนะที่เป็นทีมงานเขาก็ได้หลายๆหมื่นกันแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะต่อให้มันเป็นในระดับของวอร์มอัพเนี่ยผมก็บอกเลยนะว่ายังไงมันก็ทําเงินอยู่ดีนะครับ แล้วอีกหน่อยมันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฮะจนทุกคนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนจะสามารถใช้งานมันได้ง่ายขึ้นมันจะเป็นโปรแกรมที่คนใช้แม s ได้เลยคือแม s เลยทุกคนใช้ได้หมดนะครับโอเคทั้งนั้นผมให้ทุกคนมองอีกก่อนว่าอย่าไปกลัวฮะถ้าเรารู้ว่าเพจคิวคียวต้นกําเนิดเป็นยังไงนะครับในเรื่องของอกฎหมายด้วยอยู่ไหนอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําไว้ให้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์เรื่องของการปรับข้อโต้แย้งนะฮะ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 ขอดูหน่อยเดี๋ยวนะฮะมีกลัวอะไรบ้างนะครับฮะแป๊บนึงนะฮะไลฟ์สดอยู่ไหนไลฟ์เราอยู่ไหนหะไลฟ์ตัวเองไม่เจอนะฮะกลัวอะไรกันบ้างฮะเบลดูให้หน่อยค่ะเพื่อนๆกลัวอะไรกันบ้างครับยังยังไม่กลัวเกายังไม่กลัวเขายังไม่เห็นกันใช่ไหมว่ากลัวโดนหลอกค่ะกลัวโดนหลอกไม่ได้เงินอ่ากลัวโดนหลอกกลัวไม่ได้เงินอ่า เอ่อมีใครที่ถอนเงินจากเพจคิ Q แล้วบ้างฮะช่วยแสดงตัวหน่อยครับอยู่ในนั้นฮะมีไหมครับคอมเมนต์เลยครับใครที่เอ่อได้เงินแล้วถอนเงินแล้วมีทีมงานแล้วครับเงินเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วกดเอาไว้ซื้อของกินเรียบร้อยแล้วฮะคอมเมนต์เลยครับมีไหมฮะก็โดนหลอกกลัวเมียฮะ กวนกวนกวนตี๋วัดนหลอกแหลกัวโดนหลอกถอนแล้วค่ะกัวเป็นลูกโซ่กัวเป็นลูกโซ่มีอะไรไม่เป็นลูกโซ่ไหมครับในโลกนะฮะไอคําว่าลูกโซ่เนี่ยนะฮะทุกอย่างเป็นลูกโซ่หมดนะครับไม่มีฮะไม่มีไม่มีที่ไม่เป็นลูกโซ่ฮะกัวอยู่ไม่นานอยู่ไม่นาน อยู่ไม่นานนี่มาจิ้นเราสนะถ้ากับบริษัทมีกำไรแสดงว่าบริษัทต้องอยู่ได้นะแต่ถ้าบริษัทขาดทุนหรือจ่ายโอเวอร์พบริษัทจะอยู่ไม่ได้นะครับอ่าต่อไปเลยฮนะอ่าทุกทุกคนลองพยายามอ่านในคอมเมนต์นะที่บอกว่าเนี่ยกลัวกลัวโดนหลอกกลัวอะไรพวกนี้ฮะกลัวเงินไม่ได้จริงฮะผมเลยต้องถามเลยว่าวันนี้มีใครมีใครได้แล้วฮนะมีใครได้เงินแล้วถอนเงินออกมาใช้แล้วบ้างแลค ะ, ะคถอนหลายรอบแล้วคุณดูดีๆนะไอการไอการที่กลัวไม่ได้เงินเนี่ย คุณต้องกลับมาถามตัวคุณเองแล้วว่าคุณทําตามเงื่อนไ ข, ขของมันหรือยังนะครับเงื่อนไขการรับไรายได้ตอนนี้มีเท่าไหร่นะที่ยูเซอร์ปกติทําได้4ข้อใช่ไหมข้อ1คือแนะนำเพื่อนๆใช้งานใช่ไหมคุณได้ค่าแนะนํา 50% บเปอร์เซ็คุณได้ยอดขายพื้นที่ห้อร์เซนะครับข้อ2นะครับก็คือ 1% 20ชั้นนะครับข้อ3ก็คือเมื่อมีทีมงานของคุณที่เป็นแนะนําตรงนะฮะเขาถอนเงินออกมาคุณจะได้จากเขา 10% นะครับ แล้วก็อะไรแบบข้อสี่คือ View Content นะฮะจ่ายจริงนะครับ View Content ไม่ได้จ่ายเล่นนะฮะจ่ายจริงๆนะครับอ่าจ ะ, จะได้มากจะได้น้อยขึ้นอยู่กับเลทแล้วก็วิวของคุณนะครับอ่ากลัวโดนหลอกอ่าทนี้ผมกลับมาที่กลัวโดนหลอกก่อนคุณต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่าที่กลัวโดนหลอกอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณโดนหลอกมาเยอะแล้วใช่ไหมทํำไมคุณถึงโดนหลอกล่ะใครใครมาหลอกคุณได้ใช่ไหม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 ไอ้นายกอเนี่ยนายกเขียนไว้ดีมากเลยนะฮะผมก็เลยไปก๊อปปี้มาทั้งดุนเลยก๊อปปี้ข้อความของนายกอแล้วก็ก๊อปปี้รูปภาพของนายกอมาด้วยแล้วเอามาโพสต์ลงในเพจ q q คำถามคือถ้านายกอเห็นแล้วนายกอเกิดไม่พอใจนายกอฟ้องร้องเพจค qq หรือฟ้องร้องผมฮะผมจริงไหมเพราะฉะนั้นฮนะ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 เราเท้าให้เขาเวลาเขาฟ้องเขาไม่ได้มาฟ้องเพจคิวคินะเขาฟ้องคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการหมิ่นประมาทนะสมมติว่าคุณโพสบนเพจคิวคิ K, ด่าอีกคนนี้แล้วอีกคนนี้เห็นไม่พอใจไปฟ้องแจ้งความหมิ่นประมาทเขาก็ไม่ได้ฟ้องเพจคิวคินะเขาฟ้องที่ตัวคุณนะครับสแสดงว่านะครับการละเมิดลิขสิทธิ์มันไม่ได้ละเมิดระหว่างเพจนะฮะมันละเมิดระหว่างคุณนะครับยูเซอร์ต่อยูเซอร์ยูเซอร์กับเว็บยูเซอร์กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับ ทีนี้นะฮะบางคนบางคนบอกว่านะฮะไปดึงคลิปจาก YouTube มาและเมิเลิขสิทธิ์ YouTube หรือเปล่ามันเป็นอ่างนี้น ะ, ะถ้าตัวคุณเนี่ยไปก๊อป URL ของของ t u b e มาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มทราฟฟิกให้กับ YouTube ด้วยเพราะว่าคุณก็ต้องเข้าไปดู YouTube จริงไหมแล้วเวลาคุณดึง URL มามันมาทั้งมันมาทั้งดุนนะฮ ะ, ะแสดงว่าถ้ามีคนกดเข้ามาในเพจ QQ แล้วกดดู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 แล้วก็กลัวรวยรวยแน่นอนนะครับ mm hmm. ยอดวิวคิดยังไงไปดูในคลิปนะครับมีให้แล้วนะครับคลิปมีแล้วนะครับผมไม่กลัวโดนหลอกเพราะผมเข้าใจอลยขอบคุณมากฮะเดี๋ยนะสุดยอดของเน็ตการ์ดเอาแม่ hmm. อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะฮะ mm hmm. คุณคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่า อ, อคนเราเนี่ยเวลาที่กลัวเนี่ยเพราะว่าติดภาพเดิมๆ ม, มาผมต้องบอกอีกก่อนนะ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 ขึ้นโชวบนเวทีโลกมันมีแต่มวยมืออาชีพที่โชวบนเวทีโลกแล้วเขาได้ค่าตัวจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะได้ผลลัพธ์จากเพจคิวคคุณจำเป็นต้องศึกษามันก่อนว่ามันเป็นยังไงถ้าวันเนี้ผมมีเวลาทำงาน1ิบวันผมจะใช้แวันในการที่จะดูข้อมูลไปนทั้งหมดเลยแล้วใช้2วันทางาน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 ไม่งั้นต้องจะไปที่ความกลัวในเรื่องของในเรื่องของบริษัทนะฮะที <c> ่ <oughs> <c oughs> มากกว่านะครับถ้าคุณทําแบบมืออาชีพทําแบบเข้าใจสื่อสารแล้วทําตามเงื่อนไขของมันจนครบทุกข้อยังไงคุณก็ได้เงินครับจากที่เพจทิวคมันออกแบบมาเพื่อให้เราทําเงินอยู่แล้วนะครับในรายได้ข้อที่2เนี่ยนะครับในรายได้ข้อที่2นะฮะไอหนึ่เปยี่ิชั้นเนี่ยผมคุยตรงๆเลยนะต่อให้คุณอยู่แบบไม่ทำอะไรนะอยู่แบบ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 ร้านร้านแบบข้าวต้มปลาข้างทางไหมร้านข้าวต้มปลาข้างทางคุณขับผ่านทุกวันทุกวันเป็นปีสองปีเนี่ยคุณก็ยังเห็นเขาเปิดอยู่ได้แสดงว่าการอยู่ได้เนี่ยคำว่าอยู่ได้เนี่ยคุณว่ามันเกิดมาจากอะไรมันถึงอยู่ได้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 อันนี้แจกแจงตรงๆเลยคุยกับสมาชิกต้องคุยข้อแท้จริงนะฮะผมไม่คุยแบบแบบมาปิดบังอะไรนะผมไม่ใช่คนชอบปิดบังนะฮะคือกําไรมาจากไหนบ้างอย่างที่ผมบอกเงครับว่าในหนึ่งพันของคุณเนะ่ยอ่าเนี่ยหนะึ่งพันบาทของคุณนะี่ยคุณต้องยอมนะผมต้องใช้คำว่าคุณต้องยอมนะให้บริษัทได้มาจิน้นสามเปอร์เซ็นต์กไรบริษัทเราเท่านี้ตัวเพจคคิวอะเอาเท่านี้ สนะครับคำถามคือถ้าเขาทําช่องทางเนี้มาให้คุณทําเงินแล้วอ่ะทําช่องทางให้คุณอ่ะโพสต์แบบไม่ฟรีแล้วคุณก็ได้เงินจากการโพสของคุณด้วยแล้วคุณก็ได้เงินจากการที่คุณอ่ะขยายทีมงานตามเงื่อนไขหนึ่งสอสามี่ห้าเขาขอมาจิ้นคุณสเปอร์เซนอะ่ะคุณให้เขาได้ไหมแต่คุณได้ตั้งเก้าสบซโอเคไหมให้เขอือเปล่านะฮนะทีนี้ฮนะเมื่อมันมีกําไรนะครับ กำไรมันไม่ได้เป็นกำไรแบบตายตัวกำไรมันเป็นการมันเป็นกำไรแบบการขยายแบบยกกําลังเช่นกันนะนั่นหมายความว่าเมื่อมีผู้ยูสเมื่อมียูเซอร์ใช้มากขึ้นกําไรตัวเนี้ยมันก็จะไปเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นแหละนะฮะค่าน้ำค่าไฟบริษัทนู่นนี่นั่นนะฮะตรงเนี้ยแหละฮะจะเป็นตัวที่ทําให้บริษัทยังคงอยู่นะครับและเมื่อมีโฆษณานะฮะโฆษณาเข้ามานะครับมีโฆษณาเข้ามา มีการใช้งานที่มากขึ้นมันจะมีโฆษณาโฆษณาก็จะเป็นกําไรเหมือนกันนะมาจินเท่าไหร่อันนี้ผมยังไม่ทราบนะฮะอันไหนไม่ทราบผมก็บอกไม่ทราบนะไม่ได้ทราบทุกเรื่องนะฮะอันไหนที่ไม่ทราบก็คือไม่ทราบนะครับแต่คาดว่านะฮะเมื่อมีโฆษณานครับโฆษณาค่าโฆษณาส่วนหนึ่งจะแบ่งเป็นกําไรของบริษัทและส่วนหนึ่งจะไปอยู่ที่ View Content นั่นหมายความว่าคุณจะมีเร Vi ิวที่มากขึ้นถ้ามีเรตวิวที่มากขึ้นคุณก็ได้ไอ้เกเนี้มากขึ้น นะครับโอเคไหมแบบนี้คือคุณได้เลดวิวที่มากขึ้นคือคุณได้เงินมากขึ้นโอเคไหมนะฮะเดี๋ยวนะวันนึงเพจคิวๆกำหนดกี่โพสไม่กำหนดครับมันคือโซเชียลที่คุณสามารถโพสอะไรก็ได้นะครับอ่ทีนี้ดูนะครับ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 ที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยเมื่อบริษัทโอเวอร์เพย์ที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยคุณทําเพื่ออะไรอะ่ะคุณก็ทําฟรีเหนื่อยฟรีจริงไหมแต่ถ้าวันนี้บริษัทมีกําไรถ้าบริษัทมีเงื่อนไขาการจ่ายแบบไม่แบกรับแล้วไม่จ่ายเกินนั่นหมายความว่าซิสเต็ ม, มันจะอยู่รอดเมื่อมันอยู่รอดคุณก็สามารถทําิสเต็มตัวนี้เพดคเนี้ ย, Pay Q Q ยไปได้ตลอดชีวิตของคุณเลยนะครับคุณทําไปได้เลยฮนะตลอดชีวิตของคุณนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อนะฮะเอ่อ สรุปแล้วจริงๆคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับที่เรากลัวเพราะว่าเราแค่ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะฮะอยากให้ทุกคนไปสื่อสารที่ถูกต้องนะครับทุกคนต้องเริ่มจากอะไรฮะมันจะมีคลิป29นาทีใช่ไหม29นาทีที่ผมพูดถึงเรื่องเพจคิวๆนะฮะคลิปการตอบข้อต่อแย้งนะครับคลิปข้อต่แย้งนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ดูเรื่อง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 แต่ถ้าวันนี้ต่อให้คุณมาโพสในเพจ q ินะแล้วคุณแชร์ไปที่ Facebook มีคนกดเข้ามาดูสักสิวิว20สิบวิวแล้วมันเป็นเงิน1ถึง2สตางค์เอางี้เลยนะมันเป็นเงิน1ถึง2สตางค์คุณว่ามันก็ยังเป็นเงินไหมคุณว่าถ้าวันนี้เรากําลังจะใส่เครื่องหมายฮะใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับคุณว่า0ูนย์จุกับ 0. ูนศูคุณว่าอะไรมีค่ามากกว่ากัน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 ไอคอนเทนต์ Content ของคุณเนี่ยมันเป็นแอสเซสมันคือซับสิญนะฮะคอนเทนต์คือแอสเซสนะครั บ, รบเขียนใหม่นะฮะต้องเขียนแอสเซสก่อนแอสเซสของคุณมีคอนเทนต์อยู่นั้นคอนเทนต์ Content ของคุณเนี่ยนะฮะเวลามันมีคนกดเข้ามาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามแต่นะ ค, คุณก็จะได้เงินจากตรงเนี้ยไปเรื่คุณก็จะได้แพสซีฟตรงอยูตรงเนี้ย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 มีใครตกใจนี้บ้ามีใครคิดเรื่องนี้บ้างฮะอ่าโอเคนะฮกดกดไลค์กดแชร์ like, share, ไม่ได้ไม่ได้ตังค์นะฮะเขาคิดเฉพาะ View Content นะฮะเอ่อพู้แนะนำไปดูที่เอ่อฝากฝากดูแลด้วยนะฮะพูดแนะนำนะฮะอ่าทีนี้พวกเราดูตรงนี้ดีๆีฮะไอ้คำนี้คุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะ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 คือคุณคือคุณสมัครสมาชิกมาคุณซื้อพื้นที่หนึ่งพัน่ะมันคือการลงทุนของคุณเมื่อคุณคืนทุนแล้วนั่นหมายความว่าที่เหลือคือกำไรหมดเลยนะโดยที่คุณยังไม่ต้องเซอร์วิสซิสเต็มเลยเขาให้คุณใช้ฟรีนะครับแต่คุณดูดีๆนะครับของเราอัตราส่วนเท่าไหร่ฮะหนึ่งคิวเท่ากับห้าสิบบาทใช่ไหมหนึ่คิวเท่ากับห้าสบาทแสดงว่าหกคิวเท่าไหร่ฮะเท่ากับสามร้อยบาทกลับมาที่ตรงนี้ก่อนหกคิวเนี่ยผมไม่เคยสื่อสารให้ทุกคนเนี่ย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 6คิวต่อเดือนเนี่ยสำคัญมากนะครับคุณดูตรงนี้ดีดนะหนึ่เมื่อมีเมื่อมีการชำระ6คิวต่อเดือนสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ 1% 20่งเปนต์ยชั้นคุณดูดดดนะ น, นี่ดีๆนะอันเนี้ยคือคนของคุณชั้นแรกคุณมีกี่คนสคนสคนแปคนสิคนอะสมมติผมจบที่16คนก่อนแล้วกัน16คนนะ แสดงว่าคนในตรงนี้รวมกันมีกี่คนสองเป็นหกหกเป็นสิบสี่สิบสี่เป็นสามสิบสามสิบคนคุณดูนะครับสามสิบคนนี้นะฮะมีการเซอร์วิสซิสเต็มเดือนละหกคิวเท่าไหร่สาสิบคนสามสิบคนคูณสามร้อยบาทนะฮะคูณหนึ่งเอร์ซคุณจะได้ 1% นเนะจากสามสิบคนนี้นะฮะแสดงว่าสามสิบคนนี้คุณได้แค่เท่าไหร่อะคนละสามบาท 3าบาทคูณสามสิบคุณได้เก้าสิบดูนะครับทีนี้มันจะไม่จบแค่สิบหกสิครับคุณดูนี่นะสิบหกสามสิบสองหกสิบสีเท่าไหร่เนี่ยร2อยยิบปไหนลองรวมกันใหม่สิคนละไม่รู้ว่าผมตีสัประมาณสองร้อยห้าสิบคนแล้วกันสองร้ยหสิบคนได้ไหมเนี่ย สคนสมมตินะสมมติสมมตินะมติมมมมมมตีกรมๆแล้วกันสาม้อยคนแล้วกันอ่ะสามร้อยคนเมื่อกี้ส0มสิบคนอาจจะไม่เห็นภาพสมมุติเอาสามร้อยคนแล้วกันในเนี้ยในเนี้ยมีสามร้อยคนคุณได้จากสามร้อยคนเนี้ยก็คือคนละ 1% เอร์ซ็ใช่ไจากหกคิวคือสา0บาทคุณได้ตรงนรเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยคูณสามเท่ากับเก้าร้อยบาทอ่ะเอาตรงนี้ก่อนนะสมมุติว่า Service System ของคุณเนี่ย คือเก้าร้อยบาทคุณได้จากตรงเนี้ยเก้าร้อยบาทแต่คุณเนี่ยคุณต้องเพย์หกคิวอะคือเอาสามร้อยบาทอ่ะไปแลกเก้าร้อยคุณเอาไหมกําไรหกร้อยแค่นี้ผมก็เอาแล้วหนะใช่ไหมต่อให้วันเนี้ยคุณเอาสามร้อยบาทอะไปแลกสี่ร้อยคุณเอาไหมก็เอาจริงไหมนะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนมองแบบนี้ก่อนครับคือจริงๆอะมันไม่น้อยขนาดนี้หรอกคุณดูนะใน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 ะะไม่ใช่มาถามผมว่าพี่ถ้าผมไม่ทําเลยผมจะได้อะไระฮะคุณต้องกลับไปถามสิว่าคุณทำเพจคิวคิวคุณต้องการอะไรมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะ6คิวอันนี้ขอสื่อสารตรงแล้วกันถ้าคุณหาไม่ได้นะฮะแสดงว่าคุณเน่ยยังไม่มีทีมงานจริงไหมคุณถ้าคุณไม่มี6คิวอ่ะนั่นหมายความว่าตัวคุณน่ยไม่มีทีมงานจริงไหมฮะแสดงว่าคุณแนะนำใน A แนะนำใน B มาตรงตรงเลยนะ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 มีใครอยากจะถามอะไรต่ออีกไหมนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะฮะถามเลยนะครับถามเลยนะครับนะคับมไหมฮะถ้างั้นนะครับ <c oughs>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 ช่องเพศขึ้นไหมช่องประเทศขึ้นไหมหรือแม้แต่กระทั่งไอตัวอะไรนะฮะสปอนเซอร์ ID เกับล็อบไบดีขึ้นหรือเปล่าคุณจำเป็นต้องบอกเขาให้เขามีการระวังตรงนี้เมื่อเมื่อบางครั้งเนี่ยปัญหาที่มันยังแก้ไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องใช้ตัวเองในการที่จะเฝ้าระวังตรงนี้นะครับถามเรื่องการตอบสายงานถามได้เลยฮะเรื่องการตอบสายงานว่าไงฮะคุณอะไรนะ พ, ะพักข้าพนใ่ไหมฮะ อ, อันนี้น่าจะเป็น t r a ดเ r way เวย์นะฮะ แล้วก็โนคนเทรดนะฮะเรื่องกาต่อสายงานว่างไงครับถามได้เลยฮะอ่ะอารอขอหน่ฮะถ้างั้นผมคุยเลยละกันนะเรื่องการต่อสายงานเนี่ยผมต้องบอกอครับว่าส่วนใหญ่เราจะใช้การต่อแบบออโต้เพ c สนะครับเพราะว่ามันเป็นการอุดรูรั่วที่ดีที่สุดนะครับ ถ้าที่เวลาผมให้ทุกคนเล่นนะ่ก็คือเกม222นะครับสแสดงว่าการเล่นเกม222เนี่ยนะครับแหลนะทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าแนะนำคนเป็นแล้วก็ช่วยให้2คนของเราที่เราแนะนำมามีอีก2คนเหมือนกันสแสดงว่าเขาก็สามารถส่งต่อวิธีการตรงนี้ได้คือสอนคนได้ด้วยนะฮะจะถูกออ t o p ร์เพลสไปนะครับหรือนะครั บ, รนะรบถ้าใครต้องการที่จะแมนนวลเพลสนะครับก็ทำได้แต่คุณต้องรู้ตัว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 มันเป็นมันเป็นการแอปพูฟไอเดียจากการใช้ช่องทางการออนไลน์เนี่ยหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้ในการสร้างเงินได้จริงๆนะครับแล้วคุณก็จะมาดูเลยว่ากลุ่มการตลาดของมันอ่ะมันแมสแล้วมันก็จะขยายคนได้แบบวัวลุ่มมหาศาลเน่ยเราเล่นกันระดับเบอร์ไวนะฮะบางคนมองว่าเฮ้ยห0 0่เหรอมันจะได้เหรอมันจะแบบได้ยังไงมันจะแรกเงินล้านได้จริงหรอแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าคําว่าแมสและคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันลามเร็วขนาดไหน เพราะฉะนั้นนะครับสายงานลงลึกไปกี่ชั้นแล้วตอบไม่ได้นะฮะตอนนี้ผมไม่ได้นับเลยนะครับนะฮะไม่น้องบอสไม่ใช่20นะฮะอนาคตโพสต์ง่ายกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วงช่วงแบบวอร์มอัพเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแบบตกใจเรื่องการโพสเพรามันโพสยากหรือว่าโพสไม่ติดเพราะท راف ฟิกมันหนานะครับ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 ผมต้องบอกงนี้เลยว่ากำลังทยานเข้าสู่ถ้าถ้าคุณไม่เข้าใจนะฮะคุณจะรู้ว่ามันจะลามเร็วเป็นแบบไฟลามทุ่งจริงอะโซเชียลเน็ตเวิร์มันเป็นอะไรที่ตลกมากคือมันลามเร็วจริงๆนะครับอืมแล้วก็วันที่สิบนะครับอย่าลืมคือพรุ่งนี้นะฮะใครผู้นำฝากผู้นำเลยนะฮะผู้นำผู้นำคนไหนนะครับที่มีทีมงานที่อยู่กรุงเทพนะครับหีให้เข้าวันพรุ่งนี้โดยด่วนนะครับ บัดผมจะรับถึงแค่4ทุ่มนะครับวันนี้จะเป็นในรูปแบบของ ecard เท่านั้นนะครับได้ครับเชิญเลยครับใช้วิดีโอผมโปรโมทได้เลยครับปกติฮะแล้วก็ในวันที่11นะครับเมื่อวานนี้พรุ่งนี้มีงานวันที่10ใช่ไหมฮะที่ราชพัฒพนครนะครับที่อาคารพุทธวิชาลัยนะครับบ่ายโมงนะครับถึง4โมงเย็นนะครับ ใครที่ยังไม่มีบัตรนะฮะถ้าจะเข้างานพวกนี้คุณต้องซื้อภายในวันนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมจะไม่มีขายหน้า ง, งานนะครับแล้วก็วันที่11นะฮะที่สีสเกตนะครับทีมงานของครูตุ่ น, นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันนะครับที่สีสเกตวันที่18มีที่โคราชนะครับ18มีที่โคราชนะฮะสนามกีฬากลางนะครับ13บสามสิบส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 ทีนี้อย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่ที่ผมเห็นเลยนะฮะว่าทุกคนเนะี่ยคือแบบผมเข้าใจแหละว่าว่าเงินที่เราจ่ายลงไปเนะี่ยบางคนก็เพิ่งทำเนาะบางคนก็อาจจะยังไม่มีคนเลยบางคนก็อาจจะอ ย, อ, ยอยู่ในโปรเซสของความยังไม่เข้าใจอยู่นะครับอยากให้ใจเย็นๆแล้วค่อ ย, อยๆศึกษานะครับทําแบบมืออาชีพนะครับไว้ใจผมไว้ใจคนที่ชวนท่านมานะครับศึกษาจากข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ให้ให้ให้